ช่งเย็นวันนี้จะฟังเรื่องอะไรกันก่อนเป็นเบื้องต้นมีสองเรื่องที่นำเสนอเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เราสวดเมื่อกี้เรื่องหนึ่งนะเรื่องที่สองก็ดึงความหมายการปฏิบัติสองเรื่องนี้เอาเรื่องไหนก่อนวันนี้ข้อนี้เป็นข้อที่ฟังตามสั่งกันแลาวกนใครต้องการฟังเรื่องอะไร แล้วก็มันคิดคิดขึ้นมาในใจยังไงไม่รู้นะว่าข้อนี้น่าจะตรงเนี้ยดีที่สุดคิดขึ้นมาและข้อนี่นี้ตั้งชื่อว่าข้อโพธิธรรมข้อโพธิธรรมธรรมของพระโพธิสัตว์มีอยู่สี่ข้อคือ สุธิปัญญาเมตตาขันติเพนาะในข้อนี้เราจะว่าในรายละเอียดเรื่งสีข้อนี้นะนั่นก็เลยว่าในวันนี้เราพบกันเบื้องต้นีมีเรื่องอยู่สองเรื่องที่อยากจะพูดเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เราสวดมาเรื่องที่สองก็เรื่องภาคปฏิบัติจิงถามว่าต้องการฟังเรื่องอะไรก่อนอเรื่องแรกก่อนนะแต่เธอนั่งไม่สวยแลหลวงพ่อ เออไม่ชี้ฟังเรื่องอะไรก่อนดีอย่าแต่นี่ไม่ได้ครนี้ต้องเลือกคนฟังไม่ได้เลือกคุณพูดล่ะพ่อขอนั่งค่ะเดี๋ยวจะลืมว่าเอาเรื่องเรื่องที่จะสวดไว้ทีหลังเรื่องแรกจะพูดถึงเรื่องปฏิบัติแต่พ่อนั่งปฏิบัติไม่ขี้พเพราะเหลือไปเห็นฟ้าแลบ ฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยพอใครพอเย่มันอยู่ในวิชาอะไรตอนที่เราเรียนหนัสืออยู่ในหลักสูตรมอลหนึ่งถึงมอลสามหรือว่าพอหนึ่งถึงปอสี่เรื่องฟ้าฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยจฮะมอสี่เลพอสี่เหรอพอเย่ที่อธิบายได้ไหมว่าอะไรฟ้าจริงแลบพออะไรฟ้าถึงร้องพออะไรในบรรยากาศตรงนี้มีค้บอกข้อลบไหม ทำไมฟราแลฟ้าร้องไม่เกิดตรงนี้แม่มีอด้านบนครับอ๋อข้างล่างมีไหมแม่าไม่มีถ้ามีป่า น, นี้ไม่ลออทำไมมันเขาบวกเขาลบที่อยู่เฉพาะด้านบนไม่อยู่ข้างล่างถ้าเป็นเนึกมันน่าจะเบาครับอ๋อไม่ใช่นึกตามหลักวิทยาศาสตร์เขาอธิบายว่ายังไงครูไม่ได้บอกครับอ๋อ <laughs> ครูไม่ได้บอกหรื <laughs> คคอ <laughs> ครูคบอกไปแล้วได้ลืมไปแล้วใครยังจำได้ เอาวิชิน้องกวดหงจําได้เพราะเป็นครูเก่ า, าะนะลักษณะการเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบเพราะอะไรกดทางวิทยาศาสตร์มันปรากฏบางที่หรือปรากฏทุกที่คนละครัวเนี่ยฟ้าร้องฟ้าแลบทําไมไมัเกิดอยู่แถวทุกที่ที่มันมีอยู่เพราะทุกที่มันมีข้บวบอกข้อลบอยู่การสปาร์กน่าจะมีทุกที่แต่ทําไมมันเกิดจริงบางทีจึงเกิดอะไรขึ้นไม่เท่ากันหมายความว่ามันมี ความร้อนกับความเย็นที่ต่างสักกันใช่ไหมณจุดนั้นนะความร้อนความเย็นสองขั้วเกิดกันขั้วบวกคือขั้วที่มันเกิดความร้อนที่สูงมากขั้วลบตรงนั้นเป็นความเย็นที่สูงมากเมื่อกาศถ่ายเทจากจุดหนึ่งไปอีกด้วยความเร็วสู ง, สงจึงเกิดสปาร์กใช่ไหมในทฤษฎีนี้ถูกไหมหรืลืมหมดแล้วมั้งกันเอาเราเอธิบายต่อนะ ระหว่างประจุบวกกับประจุลบปัจจุบวกแล้วประจุลบเกิดจากอะไรก็ถ้าถ้าถ้าพูดไปมันตรงไปถึงอนุภาคของเอางายง่ายเอาที่เป็นรูปธรรมเอาที่เป็นรูปธรรมก็เป็นรูปธรรมก็คือระหว่างประจุบวกกับประจุลบมันมันไม่เท่ากันไม่สมดุลกันมันก็เลยเกิดการถ่ายเทไปที่แล้วก็ระหว่างถ่ายเทมันก็จะ มันก็จะเกิดการ <Spark. S 2> เสียดสีอ่ะเสียด ส, สีนะเรื right, ่องสปาร์กแล้วก็เกิดฟ้าแลบทีจริงมันเกิดพร้อมกันเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าแสงแสงกับเสียงมันเดินทางไม่เท่ากัน oh. แสงจะเดินทางเร็วกว่าเสียงหมายความว่าตรงไหนที่ฟ้าร้องก็เกิดจากภาพฟ้าแลบนเองใช่ไหมเจ้าค่ะมันมันเกิดพร้อมกันแต่ว่าแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงแต่ทําไมบางครั้งเราเห็นได้ยินแต่ฟ้าร้องแต่ไ ม, ไม่ไม่มีแสงฟ้าแลบ อธิบายต่อได้มาบางครั้งเราได้ยินเสียงฟ้าร้องแต่ไม่มีการรับเกิดขึ้นแต่บางทีพอได้ยินเห็นฟ้าแลบบางทีก็ไม่มีเสียงร้องเกิดขึ้นถ้าหากพาเราบอกว่าเสียงฟ้าร้องเกิดจากการที่มันสับปะเกิดจากจุดระเบิดแล้วเกิดให้เกิดเสียงแต่ดังนั้นหมายความทุกครั้งที่มีเสียงฟ้าแลบต้องมีเสียงฝาล้องทุกครั้งที่มีเสียงฝาล้องต้องมีฟ้าแลบแต่นี่บางครั้งเกิดบางครั้งไม่เกิดเพราะฉะนั้นที่ซีนี้ ไม่น่าจะใช่ว่าฟ้าร้องเกิดจากฟ้าแลบฟ้าแลบเกิดจากฟ้าร้องเพราะบางครั้งเห็นฟ้าร้องแต่ไม่แลบบางครั้งเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ร้องส่วนมากแต่บางครั้งมันไม่มีแต่ที่มาสังเกตดูมันมีอยู่เอาละ น, นี่ถือว่าเป็นข้อมูลทางสมุติที่คนสามารถคนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้นะนี่ในแง่ของปริมาณอธิบายว่าอย่างไรอธิบายว่า ถ้าเราเข้าใจในจักรวาลที่เล็กที่สุดคือตัวเราเองนะถ้าเข้าใจตรงนี้ได้จักรวาลที่ใหญ่ที่สุดก็จำลองเราคือจำลองมาจักรวาลที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วมาอยู่ในในตัวชีวิตนี้เพราะในชีวิตนี้ก็จะมีสองขั้วที่เราที่เคยอธิบายกันใช่ไหมขั้วอะไรสิ่งมีชีวิตก็มีสองขั้วขั้วเกิดกับขั้วดับนะขั้วเกิดเรียกว่ากฎของการ เกิดฟ้าทางศักด์ที่เรียกว่าเกิดแรงขั้วบวกใช่ไหมโพสิชีฟโพและการดับคือขั้วลบนิกิติโพทีนี้ระหว่างการเกิดกับการดับเนี่ยมันเกิดเพราะแรงกดดันของธาตุสีดินน้ำรดไฟในร่างกายนี้มีพลังทางกัน ธาตุไฟและธาตุลมเป็นพลังในไฟไหนธาตุไฟเอธาตุดินและธาตุน้ำควรจะเป็นเกิดหรือเป็นดับธาตุไฟและธาตุลมควรจะเป็นไฟเกิดหรือไฟควรจะเป็นนิเกตีฟหรือ o s i ิทีฟระหว่างธาตุสี่แบ่งเป็นสองขั้วธาตุหนักคือดินและน้ำธาตุเบาคือลมและไฟ เพราะฉะนั้นระหว่างลมและไฟเป็นผลเกิดจากการพัมปะทีเรียระหว่างดินกับน้ำจึงเกิดลมและไฟเกิดขึ้นนะและดินกับน้ำควรจะเป็นฝ่ายเกิดหรือไฟดับตามลักษณะของธาตุดินกับน้ำเป็นธาตุหนักที่เป็นลูกกรทงใช่ม แต่ลมกับไฟเป็นธาตุเบาค่อนข้างเป็นนามธรรมดังนั้นมันควรจะเป็นธาตุดับที่นี้มาบวกกันใหม่ระหว่างธาตุไฟกับธาตุดินเป็นธาตุที่หนักระหว่างธาตุน้ำกับธาตุลมเป็นธาตุที่อาศัยกันเพราะนั้นจับคู่กันออจับคู่กันเราจะเอาธาตุดินกับธาตุน้ำจับคู่กัน เอาธาตุไฟกับธาตุลมจับคู่กันหรือเอาธาตุไฟกับธาตุ ด, ดินจับคู่กันหรือจะเอาธาตุลมกับธาตุน้ําจับคู่กันเพราะฉะนั้นคนจะจะบคู่อย่างไหนถึ้งจะออกมาเป็นเกิดเป็นดับช่วยวิจัยกันตรงนี้เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่ท่านต้องเพื่อเราจะนําไปสู่หลักปรมัตญาให้ลงตัวนี่เป็นหลักธรรมดามากที่เรามองเห็นเห็นกันอยู่นะแต่เราไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดนี่คือธรรมวิทยาละอาจารน้อง จะคู่ให้หน่อยคู่ไหนคนจะเป็นเกิดคู่ไหนคนจะเป็นดับแต่ความจริงแล้วถ้าว่าไปเนี่ยทั้งคู่น่ยพราะจะเป็นเกิดเป็นดับแต่แนวโน้มหลักก่อนเอาแนวโน้มหลักก่อนว่าแนโน้มที่จะเป็นเกิดหรือเป็นดับแต่เบื้องต้นจะพู่ให้ถูกก่อนว่าจะเอาธาตุดินกับน้ําบวกกันหรือว่าจะเอาดินกับไฟบวกกันดินกับน้ําเพราะเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ง่ายกว่าแต่ไฟ ถึงเป็นรูปธ ร, รรมที่เห็นแต่สัมผัส ด, ด้วยรูปธร ร, รมจับไฟเป็นตัวตนไม่ไฟตาสัมผัสได้แต่มือสัมผัสได้ไหมใช่ไหมแต่มันก็เผาเราใช่ไหมแต่มันหาตัวตนไม่ได้แต่มันก็เผาได้อรมมันพัดเรารู้สึกเย็นได้แต่หาตัวตนไม่ได้มันเป็นรูปแรียว่ารูปละเอียดน้ํากับดินเป็นรูปหยาบใช่ไหมน้ํากับดินไปด้วยเพราะสัมผัสได้ ดังนั้นในส่วนรูปหยาบกับรูปละเอียดอันไหนมีความแปรปรวนสูงกว่ากันที่มีความถี่ในการแปรปรวนอันไหนมีความถี่สูงกว่ากันความแปรปรวนของลมและไฟมีความแปรปรวนเร็วและสูงกว่าใช่ไหมอาจาน้องเห็นได้ไหมความแปรปรวนของดินและน้ํามีความแปรปรวนที่ช้าและต่ํากว่าเพราะฉะนั้นระหว่างรูปกับนามตัวไหนที่แปรปรวนมีความแปรปรวนสูงกว่ากัน นามมีความแปรปรวนสูงกว่าในขณะเดียวกันรูปมีความแปรปรวนต่ำกว่าแต่มีความแปรปรวนที่ไม่สามารถจะจบได้นามมีความแปรปรวนสูงแต่สามารถมีจุดจบอยู่ที่ไม่แปรปรวนคงที่แต่รูปไม่คงที่เพราะมันเป็นสังขารใช่ไ้ยแต่ในส่วนธาตุเบาเนี่ยระหว่างลมกับไฟ มันมีความแปรปรวนสูงแต่ถึงที่สุดแล้วมันจบเหมือนกันนิ่งในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นพอจะสูบได้ว่าไฟกับลมเป็นไฟเกิดดินกับน้ำเป็นไฟดับเพราะเป็นายที่นิ่งกว่าสะเทียน ง, ง่ายกว่าหรือ ลมบางครั้งลมกับไฟเป็นฝ่ายเกิดดินกับน้ําเป็นฝ่ายดับบางครั้งดินกับน้ําเป็นฝ่ายเกิดลมกับไฟเป็นฝ่ายดับเพราะฉนั้นบางครั้งรูปกลายเป็นน้ําบางครั้งน้ากลายเป็นรูปในแง่ของสังขารนะทีนี้เมื่อไปถึงจุดสูงสุดแล้วรูปคงเป็นรูปน้ำคงเป็นนา้นาน้ำที่เป็นน้าล้วนๆอย่างไฟเนี่ยขั้วบวกขวั้วลบนะี่ย ขั้วลบมีลักษณะอาการเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าในกระแสที่เดินไฟเนี่ยมีสองสายขั้วขั้วลบเนี่ยรู้สึกเจอเรียกว่าเป็นสายดินใช่ไหมเขามีสายดินที่หลงกาวแล้วข้อบวกเป็นกระแสมีสองสายไปด้วยกันบวกกับลบแต่ถ้าจะมีการสายบวกอย่างเดียวไม่มีสายลบสายดินเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอันแสดงว่าในบวกมีลบอยู่ในลบมีบวกอยู่ใช่ไหม นั่นเห็นไหมเอ้จะได้ข้ อ, อมูลที่สรุปง่ายขึ้นเรื่อยๆที่นี่มาสู่ฝ่ายประมัดบ้างว่าในร่างกายนี้มันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อมันมีความเปลี่ยนแปลงดินก็มีการเปลี่ยนแปลงน้ำก็มีการเปลี่ยนแปลงลมก็มีการเปลี่ยนแปลงไฟก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยกฎของอะไรอันนี้จัง อ่าโดยกฎของคดีย่งเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดมีพลังขึ้นมาและพลังตัวนี้เรียกว่าเกิดการแปรปรวนขึ้นมาเรียกว่าทุกขังเพราะฉะนั้นทุกขังจึงเป็นเอเนจีเป็นพลังอันหนึ่งนะเป็นเอเนจอันนี้จังการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดพลังงานแขนเราอยู่เฉยเฉยไม่มีพลังใช่ไหมแต่พอไปยกอะไรชิ้นอย่างหนึ่งขึ้นเกิดพลังขึ้นทันที แต่ไม่อยู่เฉยๆเหมือนไม่มีพลังอันนี้เหมือนมันดับแต่พ้นไปมีการกระทําเกิดขึ้นด้วยหลักของอนิจจังเป็นพลังขึ้นมาทันทีแต่ในขณะยกนี้เราจะรู้สึกถึงอาการหนักเบาแต่วางเฉยๆอาการหนักเหมือนไม่มีมีเหมือนไม่มีเบามีเหมือนไม่มีเหมือนกระสายดินในขณะที่มีการกระทําของการกระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีอาการ หนักและเบาเกิดขึ้นนั่นคือพลังงานกระแสลกบกระบอกทางานร่วมกันเรียกว่ารูปกับนามในขณะที่อยู่เฉยๆเนี่ยดูเหมืนอนช่่าว่ามันไม่มีรูปนาำแต่พอยกขึ้นพับมีหนักมีเบาอาการเกิดและการดับทํางานอาการรูปกับนทำทํางานแล้วออกมาเป็นพลังงานเรียกว่าเป็นตัวแปรปวนของมันเป็นทุกขงังมีการแปรปวน แล้วก็มีการหมุนเวียนของการทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งรูปเป็นนามทั้งนามเป็นรูปเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่ไม่มีตัวตนที่แน่นอนไม่ตายตัวและบังคับไม่ได้ให้หยุดไม่ได้ด้วยมั น, มนถ้ามันคงที่นะลักษณะ น, นี้ปรากฏความเป็นเป็นอนัตตาเขาเกิดขึ้นเพราะนั้นเองระวางมันสปากกันเนี่ยนะระหว่างขว บ, บวกกัขบขั้วลบ ที่ว่าทางเกิดกับทางดับ ก, การเปลี่ยนแปลงแปลปรนในระหว่างกลางเนี่ยมีความอันิกระแสอนนี้จังหมุนจากขั้วบวกมหาขั้วลบขั้วบวกมีสมมติขั้วบวกนี่มีพลังความร้อนสูงใช่ไหมขั้วลบนี่มีพลังความร้อนต่ํามากเพราะนั้นเกิดการหายเทระหว่างความร้อนที่เกิดจากขั้วบวกหมุนมหาขั้วลบแล้วก็ อากาศที่ตกมาเย็นมันก็วิ่งกลับไปหาความร้อนก็ต้องการเข้าไปบวมการวนที่มีความเร็วสูงมากพอสูงๆเข้าหมุนแรงเข้าแล้วเกิดการเสียดสีในบรรยากาศใช่ไหมการเสียดสีบรรยากาศที่มันแรงมากก็เกิดการระเบิดขึ้นในจุดๆนั้นที่เกิดฟ้า ร้องฟ้าผ่าจุดใดจุดหนึ่งไหมเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นมันมีความร้อนสูงมากณจุดนั้นเมื่อมีการลดของอากาศตรงนั้นเร็วมากก็เกิดการเสียดสีที่เร็วถึงถามว่าทําไมแถวนี้มันจึงไม่เกิดเพราะแถวนี้มันไม่ได้ร้อนประจุความร้อนไม่สูงขนาดที่จุดนั้นมันจะเกิดจุดนั้นแต่บางครั้งก็ฟ้าผ่าบ้านก็ทีใกล้บ้านก็มีใช่ไหมเพราะจุดนี้ก็คืออากาศความต่า อ, อากาศที่สูงชั้นใดก็ดีรูปประทับปีน้ำรำ ก็เชี่เช่นเดียวกันบางครั้งการเมื่อมีการกระทบระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นเช่นคนบรรดาลโทสะเกิดการระเบิดการเสียสีอย่างรุนแรงก็เกิดระเบิดออกมาเสียงดังของข้างในก่อนใช่ไหมคิดในใจระเบิดออกมาเป็นอาการทางกายระเบิดออกมาเป็นอาการทางวาจาและระเบิดออกมาเป็นเสียงอะไร กลดาว่ากล่าวและเสียงปืนและเสียงระเบิดและเสียงขี่ฟันนาพุทธในที่สุดออกมาใช่ไหมเมื่อการฟาลองฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในลูกของนา ม, มาทำในใจคนอันตรายกว่าฟาลองฟ้าผ่าข้างนอกมากมายใช่ไหมเพราะอันนี้มันต้องอาศัยฤดูกาลเกิดแต่ว่าการเสียดสีและการกระทบระหว่างลูกกับนามภายในมนุษย์มันระเบิดตลอดเวลาแต่ระเบิดเหล่านี้มันไปสังสมอยู่ในอะไรบ้าง ในอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆพร้อมที่จะระเบิดออกมาเป็นนิวเคลียร์ออกมาเป็นนาปาออกมาเป็นอะไรมากมายอันนี้เห็นด้วยไหมว่ามันมีอย่างนั้นจริงเพราะมันถูกถ่ายทอดไปสู่เป็นรูปธรรมในความเพราะมนุษย์มีความกลัวเพราะฉะนั้นเคองสังสมอะไรอำนาจขึ้นมาก็อาศัยกงการเสียดสีตัวนี้ขึ้นมาเป็นระเบิดด้วยการอัดลงไปซึ่งในตัวนามธรรมก็แปลงมาเป็นรูปธรรม พวกสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงผลิตระเบิดไม่ได้พวกหมาแมวพวกสัตว์ทั้งหลายช้างม้าวัวควายลิงทำไมพึงทำระเบิดขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไรอ๋อสมองอยู่ที่ข้างหลัง <laughs> มองเยี่ยาเต็มที่เลยเ <laughs> พราะสมองซี่ข้างหลังไม่สั่งงานหรือมันไม่มันไม่ ม, ม, ไ ม, มากเหมือนมนุษย์ย สมองมันน้อยแต่บางคนมนุษย์บางคนสมองน้อยทําไมมันฆ่าคนได้ น, นั่นระเบิดออกมามันจิตใจมันสั่งไปอ๋อยิตใ จ, จมันสั่งบางคนระเบิดออกมาในคนตายเยอะเลยฆ่าคนไปเป็นหลายๆลายคนเลระเบิดออกมาทีเดียวนี่เพราะนั้นระเบิดที่อยู่ในจิตใจมนุษย์นั้นอันตรายเพราะมันไม่ไมอาศัยฤดูการเกิดเพราะอารมณ์ร้อนขึ้นสูงสุด แต่ที่ใต้สํานึกลึกๆมันมีความเย็นอยู่มันก็เกิดการหมุนเวียนสปาร์กอย่างแรงเกิดการระเบิดขึ้นมาออกมาเป็นเขาเรียกว่าความหงุดหงิดปฏิฆะแล้วบรรดาโทสะในที่สุดที่สปาร์กออกมาบางครั้งก็หึมหึมเหมือนฟ้าร้องใช่ไหมหึมใส่กันนะหึมไปหึมมาแต่เมื่อถึงกระผาใช่ไหมนี่ร้องแรงเขา้าแรงเขา้าผ่าเปลี่ยงลงมาก็ผ่าออกมาเป็นคําพูดบ้างผาคำมาเป็นมือเป็นไม้ได้ชก เตตีต่อกันบ้างในที่สุดมันแรงไม่พอต้องผ่ามาเป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆเพราะนั้นการระเบิดของอารมณ์มนุษย์จึงน่ากลัวกว่าระเบิดของฟ้าฝนมากมายเนี่ยด้วยเหตุนี้เราจึงแต่มนุษย์นั้นสามารถที่จะลดความรุนแรงของขั้วบวกขั้วลบลงนั่นคือลดการแปรปรวนคือการหมุนเวียนระหว่าง <sk r isa> ความร้อนแรงของอความต่างศัก์ของระหว่างข้กโบก้กลบ ค, <isa> <isa> <isa> คือรูปกับน้ำการหมุนเวียนขอ ง, <isa> ของรูปกับนามนี้ให้ขามดาวลงได้ด้วยการใช้อะไรในบางแห่งฟ้ามันลงก็จริงแต่มันไม่ผ่ามีไห ม, มยอย่างที่วัดดอยเนยติดโุรเชืล เ, เต็มลังคาดแต่ว่าทำสายลฟ้าเต็มไปหมดเลยลงกล่าว แต่บางแห่งเมื่อกดเขาไม่รู้หลักอันนี้ติดสุลารเซลลวที่ไหนฟ้าผ่าทะลุทลายหมดตอนหลังเมื่อมีการค้นคว้าค้นพบพระออมมันแสวงสุลารเซียล์คือแผงล่อฟ้ากระแสบวกกระแสลบอย่างดีนั่นเองเพราะฉะนั้นที่วัฒนมาคนธรรมจันทร์นั้นทำโอ้มาทำให้สายลงเก่าเยอะเหลือเกินโอ้ตรงเยอะมากเพราะว่ามันคือสายแล้วฟ้าหลักการอันนี้ชั้นใด มนุษย์ก็เช่นเดียวต้องทําสายล่อฟ้าลงกลาวคือจะต้องขามดาวลงดินการที่ทําให้จิตเย็นลงนั้นคือการสร้างสายล่อฟ้าลงกลาวคือลงสู่ธาตุดินหือคาดธาตุหนักธาตุหนักนี้เป็นตัวดูดเพราะฉะนั้นคาดหนักอันนี้ถ้าจานา ม, มาทำเรียกว่าขันติความอดทนพระเจ้าทึงชี้ลงที่แผ่นดินใช่ไหม ให้แม่ธรณีนั้นได้ดูดเอากระแสไฟฟ้าที่ผ่าลงในใจของท่านท่านก็เลยทำสายพพุทธเจ้าเป็นคนสร้างสร้างสายรอฟ้าประมัดคนแรกที่สุดของโลกคือการชี้ลงไปแผ่นดินแล้วแม่ธรณีก็บีบมวยผมเป็นกระแส ย, ยินขึ้นมาดับไฟกิเลสตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเราจึงมาสร้างตัวที่จะให้เกิดการ ดูดเอากระแสหการสปักลงดินได้เนี่ยตัวไหนเป็นตัวเหนี่ยวนำนั่นก็คือผู้สร้างคือปัญญาปัญญารู้ว่าเมื่อมีการกระทบกระแทกกันโดยที่ไม่ให้เกิดแรงระเบิดนั่นคือใช้พลังแห่งขันติความอดทนและในขันติความอดทนนั้นจะต้องมี อีกกระแสหนึ่งขันติเปลือยเสมือนเป็นภาวะที่รับหนักแต่กระแสที่จะดับถ่ายทอดเอากําลังขันติที่หนักออกไปได้คือปัญญาเพรา ะ, ะนั้นแม่ธรณีจึงบีมมวยผมออกมาเป็นน้ําด้วยถ้าไม่มีน้ําคือไม่ได้เกิดปัญญาที่จะจะลําพังได้ขันติแม่ธรณีเองยเพระเรียกว่าขันติท่ากว่ามันมีเต็มประจุลิมิตของมันนี่ยมันต้องเกิดการเป็นขันอะไรขันแท<ต>กขึ้น แ, แล้วเบิดออกมาใช่ไหม ก็ใส่อาประจุตัวถ่ายทอดเอากําลังแรงของขันติออกมาเป็นปัญญานั้นต้องไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ต้องมีการบีบมวยผมลงแล้วตัวปัญญานี้ก็จะไประบายความร้อนจากขันตินั้นมีความอดทนแล้วต้องมีขันต้องมีปัญญาด้วยมีขันติต้องมีปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นในโพธิธรรมในชุดนี้จึงมีสุทธิปัญญาเมตตาขันติ ที่จะเป็นส่วนที่เราจะเอามาเป็นชื่อของข้อนี้นะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของการเกิดและดับของฟาลองฟ้าผาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเข้าใจนมามธรรมถ้าคนไหนเป็นรู้ลูประธรรมด้วยโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์นี่เขารู้กฎของลูประธรรมวันใดเขารู้กฎของนมามธรรมด้วยนักวิทยาศาสตร์จรึงจะสามารถบรรลุธรรมได้เร็วกว่าพวกนักสยศาสตร์เพราะมันตอบโจทย์ได้ เป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมชัดเจนแต่ถ้าพวกสสยาศาสตร์นี่คิดเป็นง่ลึกลับจากการโดนบันดาลของสิ่งมีอำนาจซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความเชื่อโดยที่ไม่มีการการะจายลายรายละเอียดของรูประนามจึงไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาที่จะถ่ายถอนข้อสงสัยได้ชัดเจนคนนี้จะเข้าสู่แค่ผมของของภูมิของผมเท่านั้นเพราะไม่เกิดปัญญาที่จ ะ, จะกระจายของ พลังอำนาจอันนี้ออกมไาได้ขึ้นไปสู่อริยะไม่ได้เพราะนั้นผู้ที่ติดสมถะสูงสุดจะมีฤทธิ์เดชบริหารแค่ไหนนะก็ติดอยู่แค่พรมเพราะไม่เกิดตัวปัญญาที่จะเห็นความละเอียดของรูปนามไ ด, ไดท้ทุกชิ้นนะอันนี้ให้อย่าไปพิจารณาต่อเอามาเป็นตั้งต้นให้เท่านั้นเองนะอาจคนมีปัญญามากกว่าก็จะไปพิจารณาต่อนะันละละเอียดตัวนี้มากขึ้นเอาละทีนี้สิ่งที่เราสวดเมื่อกี้วาระที่สอง เราสวดทุกวันทุกวันพูดทางธรรมังสังขังสารณังคชาไมา่ถือเอาว่าพุทธประธรรมพระสงุงว่าเป็นที่พึ่งเป็นสาร ะ, ะเป็นเกาะ อ, อามาได้กล่าวหลายครั้งว่าพุทธพระธรรมพระสงุ์มีสองความหมายความหมายที่เป็นสมมติและความหมายที่เป็นปรามัดความหมายที่เป็นสมมุติได้แก่ที่เป็นรูปธรรมใช่ไหม แล้วความหมายที่เป็นปรมัาทในส่วนที่ความหมายที่เป็นนามธรรมที่พระพุทธที่เป็นรูปธรรมเรามักจะหมายถึงสั ญ, ญลักษณ์นะสั ญ, ญลักษณ์องค์ของผู้ค้นพบพุทธภาวะพุทธะเป็นตัวรู้เนี่ยเราก็เอาสมมติเอาเพราะเจ้าชายชีตาฐานเนี่ยเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งผู้รู้ผู้ตื่นที่เป็นรูป ที่เป็นปุกราติฐานเอาได้แก่องค์ของสมมาสัมพุท ธ, ธะเรามักจะหมายถึงเจ้าชายศิตาถะต่อมาเมื่อเจ้าชายศิตาถะเม่อยู่แล้วเนี่ยท่านก็จำลองออกมาเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมรูปแห่งพุท ธ, ธะมาเป็นที่กราบไหว้ในส่วนที่เป็นสมมุติแต่ภาวะที่เจ้าชายชิตาถค้นพบในส่วนที่เป็นปรมัตธคําพุท ธ, ธคือภาวะรู้ตื่นเบิกบานด้วยธรรมซึ่งมีอยู่แล้วในคนทุกคน เราอาศัยในส่วนที่เป็นสมมุติเป็นที่พึ่งหมายถึงว่าท่านเป็นผู้ค้นพบเรากล่าวไหวท่านและสิ่งที่ค้นพบนั้นก็มีอยู่ในเราเราก็กลาวไหวเราด้วยกล่าวไหว ท, ท่านด้วยกล่าวไหวในส่วนที่เป็นสมมุติด้วยกล่าวไหวในส่วนที่เป็นปรมัิต์คือภาวะตื่นรู้เบิกบานที่มีอยู่ในเราทีนี้ภาวะตื่นรู้เบิกบานที่มีอยู่ในเราเนี่ยเราจะต้องเอามา ทำอย่างไรก็เอามาการทำเจรไนเจรไนให้มันใช้ได้เจรไนเอาสาระที่แท้จริงของมันที่มันใช้ได้การที่ เ, าเอามาเจรไนให้ใช้ได้นี่เรียกว่าพระธรรมทอยสัตยธรรมท ำ, ทำให้พุท ธ, ธะตัวเนี้ยควรแก่การใช้สอยก็คือนำเอาสภาวะ สิ่งที่เอามาใช้สอยได้ในชีวิตปัจจุบันที่เอาไปใช้สอยที่เป็นรูปธรรมได้จริงคืออะไรหนึ่งสิ่งนั้นเราต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจใช่ไหมสองหนึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องอ่าอันที่แรกนะอันที่สองเราสามารถรู้เห็นและเข้าใจสิ่งนั้นได้อันที่สามต้องทำได้ตอนไหนก็ได้ไม่ใช่นึกจัก จะทำทำไม่ได้ไม่ใช่ทำตอนไหนก็ได้อันที่สอันที่สสามารถพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นได้ด้วยไม่ใช่ตัวเองเห็นคนเดียวนะอันที่ห้าสามารถที่จะดึงสิ่งที่ภายนอกออกมาเข้ามาใช้ภายในและสามารถดึงสิ่งที่ภายในออกไปใช้ภายนอกก็ได้สามารถดึงรูปภายนอกมาใช้กับรูปภายในก็ได้ สามารถนำรูปภายในออกไปใช้ภายนอกก็ได้ไปชี้บันนอมเข้าใจได้ไหมคงไม่เคยได้เห็นก็ง่วงอยู่วันนี้ทำงานทั้งวันเลยจะไม่เตรียมหันนี่ไม่ได้พักเลย <laughs> ไม่ได้พักเลย อ, อายุมากขึ้นแล้วต้องได้พักผ่อนบ้าง น, น, นั้นก็เลยว่าสิ่งที่นำมาพูดไม่รู้มันลึกเลอะือตื้นเกินไปเลยเลยฟังไม่ได้ นะอันนี้พวกพ่อกลังพูดถึงว่าจะเจริญในภ า, าวะตื่นรู้เบิกบานเนี่ยทอย่างไรอันที่หนึ่งจำได้ไหมว่าหนึ่งสิ่งนั้นถูกต้องพิสูจน์แล้วว่าเออเป็นจริงเออพระพุทธะเป็นอย่างงี้นะจริงอย่างนี้นะอันที่สองเราเข้าใจได้อันที่สามอันที่สามสามารถทำให้คนอื่นอธิบายคนอื่นเข้าใจได้ด้วย อันที่สี่สามารถดึงเรื่องที่เราเ่้าใจที่เป็นนามธรรมอธิบายเป็นรู ป, ปรธรรมได้และสามารถดึงในส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมอธิบายให้เป็นนา ม, มาธรรมได้อันที่ห้าพิสูจน์ได้ตลอดเวลาอันที่หกใครพิสูจน์คนนั้นรู้ใครไม่พิสูจน์คนนั้นไม่รู้ นี่คือวิธีเจรในที่จะให้เห็นพุท ธ, ธะเกิดขึ้นในใจอไม่ได้ไไดเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปฟังเทปเอา <c oughs> ฟังเทปเอาอันนี้เราจึงพึ่งพระธรรมเพราะว่ามันประกอบด้วยหกประการนี้อันที่สามที่นเราพึ่งพอ้อยสงที่เป็นรูปธรรมพุพส่สงคืออย่างพวก แต่มาเนี่เป็นลูกชาวบ้านน้มาบวชโนห่มห่มเหลืองขอข้าวชาวบ้านกินนี่นะเป็นรูปธรรมท่านดีอย่างไรเราถึงพึ่งท่านได้เพราะท่านประกอบด้วยธรรมสี่ประการหนึ่งท่านเป็นผู้รู้ดีปฏิบัติดีและ ทำดีนั้นได้รู้ดีแล้วก็ทําดีนั้นได้ด้วยแต่ถ้ารู้ดีแต่ทำดีนั้นไม่ได้แสดงว่าคุณสมบัติที่ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่พร้อมเป็นพระสงฆ์ยังไม่ไม่พร้อมบางคนรู้ดีพูดดีแต่ทำสิ่งที่ดีนั้นไม่ได้คือทำได้แต่ไม่ครบคุณสมบัติที่สองเป็นผู้พูดตรงทำตรงไปตรงมา ไม่ใช่ปากอย่างใจอย่างนะคือคิดอย่างไรทำอย่างไรปากกับใจตรงกันคุณสมบัติสองน ะ, ะไม่ใช่ต่อหน้ามาพับรบหลังมาแต่งไม่ใช่งั้นนะคุณสมบัติที่สามรู้วิธีแก้ปัญหาของตนเองและช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาได้ด้วยนี่คุณสมบัติของพระสงฆ์ที่เราเพึ่งได้ ประการที่สี่เป็นผู้มีรู้จักกาลเทศะในการทำทุกอย่างรู้จักความเหมาะามสมของมควรรู้จักความพอดีรู้จักที่จะใช้ทางสายกลางให้ได้ทั้งที่เป็นทูประธรรมนามธรรมเพราะท่านมีคุณสมบัติสี่อย่างนี้เราถึงพึ่งท่านได้นั่นหมายความว่า พระสงฆ์ที่เป็นบุคคลถ้ามีคุณธรรมสี่ประการนี้นั้นแสดงว่าท่านได้มีสภาวะที่เป็นปรมัทิตย์อยู่ในนั้นด้วยเราเรียกว่าอาริยสงฆ์แต่พระสงฆ์ที่คุณสมบัติทั้งสี่ยังไม่ครบเรียกว่าสมมุติสงฆ์แต่เป็นสงฆ์อยู่แต่ว่าเคุณสมบัตินี้ยังเกือบไม่ครบถ้วนก็เป็นพระสงฆ์ได้แต่ว่าเป็นสมมุติสงฆ์อยู่แต่ถ้าว่าเป็นอริยสงฆ์ท่านก็แบ่งเป็นอีกสี่ขั้นนะ อารีสงยี่สงบห้าเปอร์เนสงห้าสิเปอร์เซนสง 80% ดสิเอร์ยซนตรีสงร้อยปแผ่งเป็นอีกสี่ระดับอ่าเรียกว่าสี่ผลสี่นั้นเราจึงพูดถึงสามชุดแ้าให้ปฏิ ญ, ญาถึงสามครั้งพู้ทางธรรมงสังขางตุ ต, ติตาตินะเราก็เลย ปฏิญาณทุกครั้งน้อง ม, มีการไหวพระรับศีอในร่างๆนะต่อมาการที่เรามีที่พึ่งสามประการต้องมีสิ่งรับรองว่าเรามีที่พึ่งสมปรการจริงหรือเปล่าในพุทธธรรมสงจริงหรือเปล่าพิสูจน์ด้วยการมีบัญญัติหประการบาง8ปดประการบ้างสิประการบางสองร้อเจ็ประการบ้างตัวนั้นเป็นตัวยืนยันว่ามีที่พึ่งจริงใช่ไหมชาวบ้านพึ่ง แต่แค่ห้าประการก็ถือว่าเป็นสวนัสดิ์วิสมบูรณ์แล้วมีสินห้าผู้ที่มาอยู่ในวัดถ้ามีสินแปดแสดงว่ามีที่พึ่งแปดประการทําสิ่งที่แปดประการได้อย่างสามเณรมาพึ่งพระเหลืองเนี่ยถ้าทำ <c oughs> ตามสัญญาสิบประการได้ก็ถือว่าเป็นสามเณรไดนะ้อย่างบวชเป็นพระมีตามตามสัญญาสองร้อยยี่สิบจิตประกนรานเลี้ยงมหาญาณเขาเ สองห้าสิบเป็นเป็นพลานะพิสุณีสามรอเท่าไหร่สา1รสิบเอ็ดบางสามรอห้าสิบบางนะมหายานอย่างสายท่านที่ได้หนันท่านเอาสามรอห้าสิบนะแต่สายเทรวาดแค่สามรอสิบเ็ดใช่ไหมของของพิสุณีเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเราปัญหาเยอะต้องบัญญัติขึ้นเยอะหนอ <c oughs> บัญญัติตามที่ปัญหาเกิดนะแต่ไม่รู้นะถ้าพุทธอย่ายังอยู่ทุกวันมันอาจจะเป็นพันแล้วกนะ็ได้มั้ง นี่คือตัวยืนยัดยืนยันคือศีลว่าเรามีที่พึ่งจริงต้องพึ่งศีลให้ได้ก่อนนเพราะฉะนั้นต่อมาหลังจากพุทธธรรมธรรแล้วก็สมทานศีลใช่ไหมและในต่อมาพึ่งธรรมพึ่งธรรมถ้าริ่มต้ น, นตอย่างไรล้่มตัวว่าฮงเวไม่ใช่ดิริ่มต้นได้ไร มนุภูพังก็มาทำมาใช่ไหมอ่าเริ่มต้นโดยการมีธรรมตรงนั้นก่อนคือจะต้องมาสร้างจิตของตนให้ใหญ่เพราะสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานเราจะทำอะไรอย่างถ้าใจมีกำลังดีก็ทำได้สำเร็จดีถ้าใจไม่มีกำลังไม่ดีก็สำเร็จไม่ดีเพราะนั้นเรามาปฏิบัติภาวนานเพื่อมาสร้างกาลังใจนั่นเอง สร้างกำลังใจคือสร้างอย่างไ ร, รงกำลังใจมีสองอย่างหนึ่งกำลังใจที่ได้จากภายนอกสองกำลังใจที่ได้จากภายในถ้าเราเลี้ยงลูกก็ดีเลี้ยงสามีภรรยาก็ดีถ้าไม่ให้กำลังใจเราเลยเนี่ยเรารู้สึกมีกำลังช่วยเขาได้ไหมช่วยแต่ช่วยเพมันคือหน้าที่อ๋อคื อ, อ, ค, อคือพูดกับเราเมื่อไหร่เนี่ยบันทอนกำลังใจเราทุก ท, เเทีเราเต็มใจ อเหลอนั่นแสดงว่าสมัยที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเราทำงานไม่ได้แล้วเขายิงเขายิงกระตายมาหลายหลายแล้วแต่เพราะเรามาปฏิบับติแล้วนะแต่ถึงการ น, นั้นก็ตามเดี๋ยวนี้ถ้ามีใครมาพูดที่ทำให้คุณขาดกำลังใจนี่คุณก็รู้สึกขุ่นมัวเหมือนกันแหละไม่ใช่ใจะใจดีได้ทุกครั้งนะถ้าตัวไหนขาดสติตัวไหนขาดสติชำย่าเขาดูถูกดูแคลนเนี่ยนะลูกเออ เราเลี้ยงมาทุกวันวันหนึ่งบอกว่าแม่นี่ใช้ไม่ได้เลยอทําให้เป็นอย่างงานอย่างนี้อย่างนั้นขึ้นมาบุญให้แม่นี่นะเราจะยิ้มฟังอยู่ได้ไหมเออนั่นแหละมันมาเจอต้อไปเจอของจริงเออใช่ใช่ยิ่งรักแม่วันหนึ่งเขาตําหนิออกมาสักคำในที่นี้ไอ้มันตะกลับตละลับัดเลยเละหัวใจแทบร่มสลายเลยเลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเออนั่นแหละ เราต้มองข้อสด้านนาาจจะครับไม่หลวงพ่อกําลังใจสื่อว่าขวัญและกําลังใจเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นสติไปว่าขวัญหลวงพ่เทียนจึงสร้างสํานักขึ้นว่าทับมิ่งขวัญคําว่ามิ่งขวัญหมายถึงมหาสติทัพคือประธานมหาจีตประธานมาปแปลเป็นไทยว่าทับมิ่งขวัญอืมเพราะนั้นขวัญและกําลังใจนะั้นเรามาสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ตัวเอง การที่เรไปอาศัยขวักําลังใจจากคนอื่นไม่แน่นอนอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่เราก็ยังต้องการมันอยู่แต่อยู่ในครอบครัวเราไม่ไม่ไม่ไอยให้กําลังใจกันนะเราก็จะช่วยเหลือไปได้ไม่นานในที่สุดแล้วเกิดการทะเลาะเบาแวงแล้วยาล้างกันไปในที่สุดเพราะไม่ให้กําลังใจกันอะไรกันเหมือนว่าคุณจันยาก็มีประสบการณ์มาแล้วด้วย <c oughs> นั้นเองเราจะเห็นว่าอันนี้คือมันเป็นสมมุติก็จริงแต่มันเป็นจริงในสังคมนะเพราะฉะนั้นการาควบหาสมาคมระหว่างเพื่อนต่อเพื่อ น, อนลูกต่อพ่อแม่สามีต่อภรรยาถ้าไม่คอยให้คนและกําลังใจซึ่งกันและกันในชีวิตจะอยู่ด้วยกัไม่ได้แต่นั้นคือความไม่แน่นอนเดี๋ยวมีคนอื่นมาให้คนกําลังใจเราต่อแล้วก็รักเขาต่อใหม่ได้อีก ว่าหนึ่งเขาก็ทำลายขวัญและวกำลังใจแล้วก็พร้อมที่จะเลิกกันใหม่ได้อีกเพราะจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนแต่พุทธเจ้าบอกว่าเอออันนั้นมันไม่แน่นอนอยังพึ่งไม่ได้ให้มาสร้างขวัญกําลังใจให้กับตัวเองก็คือมาสร้างสติสตินแปลว่าขวัญมาสร้างสติเองคือสร้างขวัญให้กําลังใจให้กับตัวเองพอเรามีขวัญกำลังใจตัวเองเราจะไม่นีดขวัญและกําลังใจจากผู้อื่นอีกเลยเพราะเรารู้ว่ามันไม่แน่นอนแต่ขวัญกำลังใจที่เราให้กับตัวเองเราให้ได้ตัวเองได้ตลอดเวลา แต่ขวัญกำลังใจจากผู้อื่นเขาให้ได้เป็นบางครั้งเมื่อทําให้เขาพอใจเขาก็ให้ขวัญกำลังใจกับเราแต่วันหนึ่งเราพูดเราทําให้เขาไม่พอใจเขาก็พร้อมที่ทําลายขวัญและกําลังใจของเราได้ทันทีแต่ไม่มีใครเหล่าที่จะทําลายขวัญและกําลังใจตัวเองเว้นแต่เผลอไปเท่านั้นเองการเผลอนั่นเองคือการทําลายขวัญและกําลังใจของตัวเองเราจึงเจริญสติเพื่อไม่ให้เผลอนอานเรย์ใช้คําว่า อ, อย่าลืมที่คุณตั้งตัวสมมตนินะยังไม่จริงนะ สมมุติเท่านั้นนะถ้าจริงก็มันไม่ใช่อย่างนั้นเอพราะขึ้นต้นพูดคุณก็บอกตนะัวเองว่ามันเป็นสมมตินะ่ะมันยังไม่ใช่ของจริงไม่เอด้วยยาพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเราแทบมองไม่เห็นนะแต่ถ้าไปเชื่อของจริงเราแทบจะง่ายหลังทุกทีแล้หละเนื่องจากมันใกล้ตัวเองขึ้นไป นั่นเองเราจึงมาสร้างขวัญกําลังใจเมื่อใดเรามีขวัญกาลังใจที่แข็งที่สุดเอาชนะกิเลสได้แต่ขวัญกาลังใจผู้อื่นนั้นจะมากมายขนาดไหนเอาชนะกิเลสไม่ได้ใช่ไหมแต่ขวัญกาลังใจที่เราให้กับตัวเองนี่มันมีสูงสุดคือเอาชนะกิเลสได้ทั้งหมดมันดีขนาดนั้นเองที่เราจึงมาให้ขวัญกำลังใจกับตัวเองอันนี้คือเรื่องที่สองจบละ <laughs> มีอะไรน่าสงสัยไหมแต่ความจริงมันพว่วงมาอีกสองเนาะแต่มันจะยาวไปเนาะสองโยธรรมังประเสริอีกดุ้มเหฮีกิ จ, จังเอวยาวอีสองเรื่องอจบไว้ก่อนแค่เรื่องนี้ก็ครอบคลุมหมดแล้วนะคนที่มีไม่มีความกลัวอยู่ในใจได้แก่พระหันไม่มีความกลัวหรืออยู่ในใจและสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่มันไม่มีความกลัวอยู่ในใจ พมันคิดว่ามันยิ่งใหญ่มากแต่มันก็ตายสัตว์นั่นคือราชสีเขาบอกว่าเวลาฟ้าผ่ามนเนี่ยมีสัตว์สองประเภทที่ไม่ตกใจหนึ่งพระรหัสสองราชสีเพราะราชสีเนี่ยมันมีความยิ่งยห่สูในตัวมันเองสูงสุดมันคิดว่ามันมันเป็นเจ้าโลกอ่ะแต่มันคิดเดานะแต่ความมั่นใจในอุปทานในความคิดมันมันสามารถ มีกำลังใจเอาชนะความกลัวได้แต่นี้เขาว่าในะจริงก็เปล่าเราก็ไม่ใช่มันนะเนาะ <laughs> แต่เจอเจอในพานวัลธรมก็วิ่งหนีสุดเยอะสุดเอาตัวรอดสุดชีวิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแต่พระหรันตนี่แน่นอน เ, อเกิดอะไรขึ้นเอไฟตกครับไฟตกไฟมาก็อันนี้คือสิ่งที่เราได้คุยกันสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องภาวะของการเกิดดับที่เป็นรูปธรรมนามธรรม เริ่มต้นที่เสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่าเนาะเข้าใจได้เรื่องที่สองคือเรื่องของความหมายที่เราสวดว่าแล้วพึงพระพุทธพราหมณ์พระสงค์ได้ในแง่ไหนบ้างในแง่สมมุติและในแง่ปรมาธินี้เรารักษาศีลเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจความจริงศีลกิสติเป็นสิ่งเดียวกัน ผู้มีสังวรสัมรวมคือผู้มีศีลผู้ที่สังวรสัมรวมได้ผู้นั้นต้องมีอะไรต้องมีสติเพราะฉะนั้นสติเป็นกำเนิดของศีลสมาธิปัญญาถ้าขาดสติอย่างเดียวศีลปัญญาก็าไม่สมบูรณ์แต่นั้นตัวที่เรามาฝึกตัวนี้ก็เราก็เหมือนกันมาสร้างทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา ในเวลาเดียวกันแต่ว่าเราไม่ต้องไปแยกว่าเออรู้ตรงนี้อย่างเนี้ยอันไหนเป็นสีเนี้ยเป็นสมเป็นอย่าไม่ต้องไปนั่งแยกเพราะมันเข้าไปแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันเหมือนข้าวที่เราเคี้ยวไปไม่ต้องไปแยกอันไหนเป็นธาตุอะไรอร่อยหรือไม่อร่อ ย, อออยเพราะเข้าไปแล้วมันกลายเป็นพลังงานได้อันเดียวกันนะไม่มีอะไรสงสัยใช่ไหมถ้าเราเห็นจิตของเรา มันไม่ขึ้นไม่ลงนะบ่อยๆเนี่ยเห็นภายนอกมันก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ไม่มีความแตกต่างแต่ถ้าความแตกต่างทั้งหมดมันไม่ได้อยู่เกี่ยวข้างนอกแต่มันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรามันไม่มีความแบ่งแยกแตกต่างข้างนอกมันก็จะดูเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อใดและจิตใจของเรายังมีการแบ่งแยกแตกต่างข้างในข้างนอกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตรงนั้นสาคัญตรงที่เราปรับจิต ใ, ให้มองกายกับใจรูป ก, กับนาม เป็นสิ่งที่เสมอกอารความแตกต่างอยู่ที่ว่ากายกับใจเราให้ความสําคัญไหนมากกว่าถ้าเราให้ความสําคัญเสมอกัร น, นะปฏิบัติต่อสองอย่างนี้เสมอกันข้างนอกก็อย่างนั้นเหมือนกันสมมุติเรานั่งเนี่ยถ้าเราไปนั่งศาลาโน้นเราจะได้ยินเสียงพัดลมใช่ไหมเราก็รู้สึกเยน็นมาที่นี่เราไม่ได้ยินเสียงพัดลมแต่เรารู้สึกว่าอบอุ่นหรืออบอ้าว จิตใจอบอุ่นแต่ร่างกายอบอ้าวไม่เป็นไร <c oughs> เพราะฉะนั้นเราควรจะสัมผัสบรรยากาศจริงอย่างเนี้ยร่างกายมันจะได้คุ้นแต่ทุกวันนี้เราไปสัมผัสบรรยากาศเทียมเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีพัดลมมีแอร์เรารู้สึกอืมกระวนกระวายทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเรื่องบรรยากาศตรงเนี้ไม่ต้องมีแอร์ไม่มีพัดลมมาช่วยแต่จะใช้บรรยากาศจริงมาช่วยไหวไหมยุมน้องไปวนะ แต่หลวงพชอบบรรยากาศอย่างนี้มากกว่าเพราะมันเป็นจริงดีเราส่วนใหญ่เราทุกวันนี้เราวิ่งหนีความจริงเรื่อยๆเนาะโลกมันเลยร้อนไงวิ่งหาความเย็นความร้อนก็ต้องเกิดมันเกิดการต่างสักมันเกิดการหมุนเวียนนะเพราะคนวิ่งหาความเย็นกันมากๆความร้อนก็เกิดขึ้นเพราะมันพยายามถ่ายเอาความเย็นไปรวมไปในกรุงเทพมันร้อนตลอดเวลาเพราะเอะไรแต่เราบ้านมันใช้แอร์ แล้วเป่าความรอนออกมาข้างนอกหมดให้คนอยู่ข้างนอกเราจะตายเอานะเพราะนั้นเขารีบเข้าไปในรถรถคันไะหนไม่มีแอร์รู้สึกโอผิดปกติทันทีเลย น, ะ น, นั้นเราชีวิตของเราเริ่มแปรปรวนไปตั้งแต่เรื่องดินฟ้าอากาศแล้วนะก็คิดว่าน่าจะได้ความครบถ้วนนะขออนุญาสาธุในความตั้งใจและความร่วมมือในการช่วยกัน วิเคราะห์รูปธรรมนามธรำรให้เกิดเห็นความสัมพันธ์กันระหว่างรูป ก, กับนามภายนอกภายในเราเขาว่ามันอยู่ในสภาวะที่เสมอกันด้วยใจ ร, รักเรื่อนิ้จ้างทุกขังหน้าตาเมื่อเราเข้าใจในสิ่งนี้ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นปัญญาเราเพิ่มขึ้นเมื่อปัญญาเราเพิ่มขึ้นเราก็จะมองเห็นความจริงมากขึ้นเมื่อเห็นความจริงมากขึ้นเราก็จะลดสักยทิฏฐิวิจิกิฉาสีละ พระตาปรมาถลงเราก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยการทุกคนทุกท่านเถิ